สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่ห้าสิบเรื่องใจที่ปิดหรือเปิดใจที่ปิดหรือเปิดพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในสุภาษิตบทที่9้าข้อที่7ถึงข้อสิบสองครับสุภาษิตบทที่เข้อที่เจถึงข้อสิบสองโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าผู้ที่ตักเตือนคนมักเยะเย้ย มีแต่จะถูกตอบกลับผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้ายมีแต่จะถูกทำร้ายอย่าไปว่ากล่าวคนชอบเยอะเยะ้ยไม่อย่างนั้นเขาจะเกลียดชังเจ้าจงตักเตือนคนฉลาดแล้วเขาจะรักเจ้าจงสอนคนฉลาดแล้วเขาจะฉลาดยิ่งขึ้นจงสอนคนชอบธรรมแล้วเขาจะเรียนรู้มากขึ้น ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาการรู้จักองบริสุทธิ์ทำให้เกิดความเข้าใจเพราะเราวันเวลาของเจ้าจะยืนยาวและปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูนหากเจ้าฉลาดสติปัญญาของเจ้าจะให้บำเดน็จแก่เจ้าหากเจ้าชอบเยอะเยะ้ยเจ้าก็จะทนทุกข์ ตามลำพังพี่น้องครับโพชนะของพระเจ้าตอนนี้ได้ชําแหละคนออกเป็นสองประเภทครับก็คือคนที่มีจิตใจที่ปิดและคนที่มีจิตใจที่เปิดตามปกติแล้วคนเราจะเป็นหรือจะตายนะครับก็อยู่ที่ใจของเขาจะเปิดหรือจะปิดต่อการรับการตักเตือนและรับการพัฒนารูปแบบชีวิตพี่น้องครับการตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับ การที่จะเปิดหรือไม่เปิดก็เป็นเหมือนกับการกลัด ก, กระดุมเม็ดแรกของเชื่อที่เราสวมใส่อยู่ถ้าเราติดกระดุมหรือกลัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องผลลัพธ์ในที่สุดก็จะเรียบร้อยสวยงามแต่ถ้ากลัดผิดติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็จะนำไปสู่ความล้มเหลวชีวิตก็เหมือนกันครับถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดก็จะนำไปสู่ความตายพีรโพจนะของระเจ้านะครับมัตคีบที่หกข้อสามสามชัดเจนครับ บอกว่าให้เราเลือกที่จะเอาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีการกัดกระดุมแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดมันเป็นกระบวนการนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวแต่มันถอยหลังได้ครับที่จะกัดใหม่ได้เพราะฉะนั้นการกัดกระดุมนะครับถ้าเรารู้ว่กกัดผิดต้องรีบปลดกระดุม แล้วก็กลับใหม่พี่น้องครับเป็นการตัดสินใจย่อยๆนะครับหลายหลายครั้งร่วมกันเพราะฉะนั้นมันเป็นโพสเซสมันเป็นกระบวนการในชีวิตของเราครับใครก็ตามที่พยายามช่วยคนโง่ะนะครับช่วยคนที่มักเดอะเยยช่วยคนที่ไม่มีสติปัญญาเขาเหล่านั้นก็จะไม่ฟังครับไม่ฟังใครก็ตามที่พยายามช่วยคนโง่ด้วยการตักเตือนมักจะไม่ได้รับ ไม่รับการชื่นชมแต่กลับได้รับการตอกลับเพราะฉะนั้นความโง่ของเขานั้นจึงปิดความคิดของเขาปิดแจ้งของเขาต่อการตักเตือนเพราะเจ้น้าของพระเจ้านะครับในมัทธิวบทที่สิบสามข้อที่สิบสองถึงสิบหกนั้นได้กล่าวชัดเจนครับว่าเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีนั้นแม้ที่เขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขา เพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายเป็นคาอุปมาเพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็นถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจสภาพของพวกเขาก็เป็นไปตามคาพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่ไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนที่มีใจเฉื่อยช้าหูก็ตึงตาก็ปิด เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หายแต่ในตาของท่านทั้งหลายก็เป็นสุขเพราะท่านได้เห็นและหูของท่านก็เป็นสุขเพราะท่านได้ยินพี่น้องข้าพเจ้าของพระเจ้าชัดเจนนะครับว่าเราเองนั้นจะต้องเปิดใจครับเป็นคนที่ถูกสอนได้นะครับความจริงที่เกิดขึ้นที่นี่ ก็คือคนเรานั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองนะครับเป็นอย่างไงแต่ก็ไม่ยอมรับก็คือว่ามนุษย์นั้นยิ่งรู้น้อยเขายิ่งคิดว่าเขารู้นะครับอันนี้เป็นคุณลักษณะของคนที่ผิดใจเป็นคุณลักษณะของคนโง่เบื่อไม่ได้สอนไม่ได้สาหรับคนที่รู้จริงครับคนคนนั้นเขาจะยิ่งตันหนักถึงความไม่รู้ และความจํากัดของตนเองดังนั้นมนุษย์เราจึงต้องการผู้ให้คำปรึกษาที่ดีครับเรามาดูต่อนะครับข้อที่สิบจะเหมือนกับสุภาศิษฐ์บทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดข้อที่สิบนั้นกล่าวเพื่อที่ให้เรารู้ว่าชีวิตที่ฉลาดชีวิตที่มีสติปัญญานั้นเขาจะเป็นคนชอบทำหรือเขาจะมีชีวิตที่ชอบทำมาดูต่อนะครับในข้อที่สิบเอด ย้ำเน้นเรื่องคนที่ฉลาดและรับข้อเสนอของเจ้าหญิงปัญญาเขาจะมีชีวิตยืนยาวผมชอบภาษาอังกฤษนะครับบอกว่า wisdom adds years into your life wisdom adds years into your life พี่น้องครับคนที่มักเยอะเยอยซึ่งเป็นคนชั่วร้ายนั้นเป็นคนที่สอนยากใครที่เตือนเขาเขาก็าจะตอบสนองด้วยท่าที เกลียดชังครับเน็บแนมด้วยวาจาดูหมิ่นหยาบช้าเมื่อได้รับการเตือนคนชั่วร้ายจะย้อนกลับคำเตือนโดยใส่ร้ายผู้เตือนเขาคนมักเยอะเย้ยเช่นนี้ทำทางของตนให้ทุกข์ยากลำบากครับแต่คนฉลาดก็คือคนชอบำํำลักษณะนิสัยของเขาก็คือเป็นนักปราดยินดีรับคำตักเตือนเพราะเขาได้บทเรียนจากมันครับ การตักเตือนเป็นประโยชน์ต่อคนที่ยินดีเรียนรู้จากมันเขาจึงเป็นคนที่สอนง่ายเตือนง่ายการเป็นคนที่สอนง่ายเตือนง่ายทําให้เขาเป็นนักปราบพี่น้องครับข้อสิบสองนะครับย้ําเตือนว่าพระเจ้าต้องการที่จะสร้างคุณลักษณะแห่งคุณธรรมในชีวิตของเราซึ่งเราไม่สามารถดืมจากคนอื่นได้หรือเราไม่สามารถให้เป็นมรดกตกทอดเป็นของคนอื่นโดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่ตัดสินใจไม่เปิดใจไม่ขยับ ไม่นำไปปฏิบัติไม่เชื่อฟังไม่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงนี่นะครับคือคนที่ปิดใจสอนยากนะครับได้ยินแต่จะไม่เข้าใจครับเพราะฉะนั้นในเชิงปฏิบัตินั้นเราเห็นว่าการไปโบสถ์อย่างสม่าเสมอหรือการรับการศึกษาในโรงเรียนที่ดีก็ไม่สามารถที่จะรับรองว่าคนทุกคนนั้นจะสร้างคุณลักษณะนิสัยทัศนคติที่ดี เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับการเปิดใจปิดใจของเขาดังนั้นการตัดสินใจที่ดีนะครับผมอยากจะบอกว่ามานะครับมาจากคุณลักษณะชีวิตที่ดีที่เขาจะยอมรั บ, นะรบในทานองเดียวกันการตัดสินใจที่แย่ก็จะสร้างคุณลักษณะที่แย่ของตนต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับใครเป็นคนฉลาดบอกได้จากวิธีการตอบสนองของเขา ต่อคําเตือนต่อคําว่ากล่าวคำำําตําหนิพี่น้องครับจงฟังสิ่งที่ผู้อื่นกําลังพูดแทนที่จะตอบกลับอย่างรวดเร็วหรือยอกย้อนเมื่อถูกตําหนิจงเรียนรู้ว่าสติปัญญานะครับจะได้มาเพราะคําตักเตือนครับคําตักเตือนนั้นเป็นหนทางสู่สติปัญญาและเราจะต้องยอมรับและเชื่อว่า สติปัญญานั้นเริ่มต้นจากการรู้จักพระพเจ้าดังนั้นเองคนที่มีสติปัญญาครับชีวิตของเขา น, นก็จะยืนยาวชีวิตของเขา น, นก็จะได้รับพระพรมากมายอาเมน